สีมาคือเข็นแดง น, นะครับเข็นแดงในการทําวินัยกรรมของสงนะเรียกว่าสีมาตามสรรพสามาลีเรียเข็แดง น, นะครับเข็นแดงในการทําิัยกรรมของสงนะมีการลงปฏิโมกเป็นต้นนะครับเราก็จะลงกันในสีมานะทํานอกสีมาไม่ได้นะครับต้องทํา้วสีมาทําถึงจะใช้ได้นะอ่าก็ชื่อว่าสีมานั้นมีสองคือพัทธสีมาหนึ่ง อัพพัทธ์สีมาหนึ่งผู้ฟังค่ะพัทธ์สีมาหมายถึงสีมาที่มีการผูกนะครับอัพพัทธ์สีมาสีมาที่ไม่ได้ผูกเป็สีมาธรรมชาติคาว่าที่มีการผูก ผ, ผูเนี่ยเราไม่ได้เอาเชือกนะไปมัดแล้วก็ผูกล้อมนะครับอย่างวันที่ใช่ไหมข้าวสายสิ์นะครับไปล้อมรอมเลยและกําหนายว่าเขตนี้เป็นเขตปริมาตรอย่างนี้นไอันนี้เรามียว่าจะเอาสายสิบไปล้อมรอบ แลว้วกับอเนี่ยเป็นเขยศีมาแค่นี้ไม่ได้นะครับยังไม่เชื่อเป็นการผูกสีมานะมันต้องผูกสีมาเนี่ยผูกด้วยาการสวดกรรมวาจานะครับสวดกรรมวาจานับสมุทรสีมาขึ้นมานะครับน่าเชื่อเป็นการผูกสีมาส่วนที่ในโบล่าเนี่ยนะก็มีการผูกสีมานะครับมีการทักนิมิตรท่านจ า, า, น า, าริิบาลนั่งประาำลำดับเลยมีการทักนิมิตนะครับแล้วก็สวดกรรมวาจาผูกสีมาอย่างนี้นะ ส่วนกมังวัจจานนะครับชื่อว่าเป็นการผูกสีมาส่วนผ้าน้ำสีมันเป็นสีมาที่ไม่ต้องผูกเป็นสีมาธรรมชาติเลยนะครับสามารถไปทํากรรมได้เลยอย่างเช่นอะไรนะทะเละครับนะถ้าเรายากหาสีมาอะไรที่ไหนไม่ได้ว่าเราอยู่ใกลทะเลใช่ไหมลงไปที่ทะเลเลยนะครับแล้วก็ไปทํากรรมที่นั่นได้เลยไม่จำเป็นต้องลงไปลึกหรอกนะแค่ลงไปแค่โดนน้านะหรือว่าถึงไม่โดนน้าก็แล้วแต่ลงไปที่ที่นะครับขึ้นมันซับน้ำปักและตามปกตินะ ที่ขึ้นมันซักฝั ง, งนะมันขึ้นมาตามปกติใช่ไหมครับตรงนั้นก็ได้แล้วครับนะี่นะใช่ไห ม, ไ, มได้ไดนะไอยู่ในป่าก็ <c oughs> มันจะมีทะเลนะครับแม่น้ํานะสารธรรมชาตินะครับที่มันมีใครขุด น, นะมีสาธรรมชาติเองแล้วก็เป็นป่าถ้าเป็นป่าต้องแบบป่าลงดิบหรือ ว, ว่าป่าระหว่างชายแดนนะครับที่ไม่ได้เข้าในเขตหมู่บ้านไหนเลยนะ ก็แบบป่าอย่างนั้นเลยนะครับถึงจะเป็นสีมาธรรมชาติได้นะถ้าเป็นป่าอยู่ในเข็มหมู่บ้านนี่ก็ยังไม่ได้ครับแล้วก็แม้แต่หมู่บ้านนะหมู่บ้านนี่ก็เป็นสีมานะครับสีมาธรรมชาติเลยท้าเรียกว่าขามาสีมาถ้าบ้านเราไม่มีสีมาไม่ได้ผูกเลยเนี่ยแล้วก็หมู่บ้านแหละเป็นสีมาทํากรรมันเลยนะครับแต่ว่าถ้าหมู่บ้านเป็นสีมันจะลำบากหน่อยบางทีพาก่อ้าก่อใช่ไหมแล้วบางทีหมู่บ้านเนี่ยมีตั้งหลายวัานนะครับ เวลาทำศสัทธากรรมนะถือว่าจะอาหมู่บ้านเนี่ยเป็นสีมาทำศรัทธาในคาเมืมาสีมารครับก็ต้องนิมนต์พระในหมู่บ้านทั้งหมดมาเราเข้าในหานธรมะนี่เองับถึงทํากรรมได้นะเมื่อการจะศีกกรรมจะเสียเพราถือว่าอยู่ในสีมาในกันเนี่ยแล้วก็แยกกันไม่ได้ต้องเข้าธรรมะถึงกรรมยังใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละบาะ้านเนี่ยต้องแล้วนิยมทํากันใช่ไหมนะครับก็เลยมีการผูกสีมาแตพ่อว่อางของตนเองครับเจ้าที่เจ้าที่ ไม่ได้ปลูกสีมาเฉพาะว่าของตนเองแล้วก็ไม่ต้องมโนผ้าทั้งหมดในหมู่บ้านนะมาร่วมงถมันนะครับเราจะพาะผ้าที่เข้าไปในเขตสีมาที่เราผูกขึ้นมาเองครับแล้วก็ทากรรมได้เลยเนี่ย น, นะสีมารจริงถ้าบว่าเกี่ยวเรื่องวินัยเนี่ยสีมาเนี่ยยากที่สุดนะครับวินัยสีมายากที่สุดมีนิย่านะครับลูกซึ้ยละเอียดหลายอยาง โออ่านหลายรอบนะโอ้ไม่ค่อยจำครับความจำไม่ค่อยดีด้วยไม่รู้นะลืมครับอ่านก็หลายเที่ยเนี่ยสอนก็สอนเรียนก็เรียนมานะแต่ยังไม่จำนะนะครับเดี๋ยต้องดูบ่อยๆนะสายดูบ่อยๆนะครับอืเมื่อกี้พูดถึงสีมาฟังข้าวๆว่ามีสองอย่างข <c oughs> ้าวสีมาสีมาที่ต้องมีการส่วยก็มาวาจาพูนขึ้นมา กาพัทธ์สีมาสีมาธรรมชาติที่ไม่ต้องมีการผูกนะครับอในสีมาสองชนิดนั้นสีมาที่พ้นจากสีมาวิบัติ ส, ต ส, มมตสินนะสนะบเอดอยา่างประกอบด้วยสมบัติส า, ามอย่างผูกนิมิตเชื่อมด้วยนิมิตสมมุติไว้ชื่อว่าพัทธสีมาเนี่ยนะพูหนึ่งพัทธสีมานะครับพร้อมจากวิบัติสิบเอ็ดอย่างประกอบด้วยสมบัติสามท่านจากที่บ้านมีอะไรบ้างผูกนิมิตเชื่อมด้วยนิมิต ได้ได้ตารางนี้อ่ะชี้นี่ไปแล้วใช่ไหมครับนะลองดูแต่แต่ยังไม่ที่บางอันนี้เลยตรงนันจะจะให้ดูในดูตรงตารางเลยนะครับตารางตัวสีมายจริงคือที่เป็นระบายทึบนะต่ตัวสีมายจริงนะครับแล้วก็นิมิตนะครับที่เป็นอะงไงน่ะที่อยู่ตรงมุมนะครับมุมทั้งสี่เนี่ยเป็นนิมิตก็จะมี ต้นไม้นะครับก้อนหินจอมปลวกแม่น้ะครับนี่เป็นต้นนะที่สา ม, มารถใช้เป็นนิมิตได้นี่มันคือเป็นเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายที่ใช้หมุนเขตว่าสีมาของเราหนะจากไหนถึงไหนนะใช้เป็นรูปเราจะเอาสีมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้นครับสามเหลี่ยมก็ได้ได้นะแต่เป็นสองเหลี่ยมไม่ได้นะสองมันก็ไม่เป็นเหลี่ยมแล้วอย่างน้อยมันต้องเป็นสามต้องมีสามนิมิต มันถึงจะได้พื้นที่ข้างในใช่ไหมครับถ้าเป็นสองที่มันก็เป็นแค่เส้นหน้าขีดมันไม่ได้พื้นที่ข้างในนะครับอย่างน้อยสานิมิตนะเนี่ยถ้าบอกว่านะผูกนิมิตเชื่อมด้วยนิมิตนะครับแล้วก็สมมูิไว้อย่างนี้เป็นพาราสีมาแต่ในนี้ยังไม่ทาอธิบายหรอกนะเดี๋ยวจะให้มาดูในนี้ก่อนนะครับแผ่นที่แจกให้ไปเนะี่ยเป็นวิธีการไปใช้จริงเวลผูกสีมาเลยนะว่าสมัยนี้หนะ้าที่ทํากันนะครับก็ทำเป็นอย่างนี้เนะ วิธีเอาไปใช้กินง่ายๆที่เราเจอกันนะจิ๋มีการตีตารางเราเนี่ยมันจะเขียนไม่หมดเลยนะตารางมีความยาวเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่นะครับและเห็นผลทําไมต้องตีตารางอย่างนี้นะพราะบางรูปมันจะเคยไปผูกซีมาเข้าใช่ไหมครับ <c oughs> ว่าไอ้ทำไมต้องไปตีตารางด้วยนะทําไมเรื่องมีการถอนีมาด้วย อ, อะไรยังไงนะเดี๋ยวจะได้รู้ตามดั่มนะครับแต่ก่อนที่ดูแผนนี้นะ ให้มาดูในการหาก่อนนะครับจะได้รู้ไปตามลำับสีมาวิบัตมีสิบเอ็ดอย่างกําหนดตามพระบาลีว่ากรรมทั้งหลายย่อมวิบัตไปโดยสีมาด้วยการสิบเอ็ดอย่างนี้คือนะครับ <c oughs> หมายความว่าถ้าสีมาวิบัต น, นะแล้วก็ทํากรรมไม่ขึ้นสีมานั้นก็ใช้ไม่ได้ใช่ไม้มเราก็ไปทํากรรมในสีมานั้นก็ทํากรรมไม่ขึ้นนะครกรรมนั้นก็วิบัต น, นะ สีมาวิบัติมีสิออย่างก็คือหนึ่งสีมาเล็กเกินไปสองสีมาใหญ่เกินไปสสีมามีนิมิตขาสสีมามีเงาเป็นนิมิตห้าสีมาไม่มีนิมิตหสีมาที่พิสุยืนอยู่นอกสีมาสมมุติไว้7สีมาที่สมมุติในแม่น้ำแปดสีมาที่สมมุติในทะเล9ที่สมมุติในสระเกิดเอง สิบสีมาสมมุติข้ามเกี่ยวกันสิบเอ็ดสีมาที่สมมุติข้ามสีมานะครับท่านสาธิบาลตามลับนะข้อแรกเลยเนยะที่บอกว่าสีมาแลกเกินไปนี่เป็นยังไงนะครับบรรดาสีมาที่วิบัติเหล่านั้นสีมาแลกเกินไปย่อมไม่พอนั่งสําหรับพิสุยี่สิบเอ็ดลครับโอ้ไปสมมุติแบบแรกเกินนะห้ายี่สิบเอ็ดลูปนะครับไปนั่งไม่พอนั่งนะอันนี้ก็สีมาแล้วก็วิบัตกใช้ไม่ได้นะครับ เพอเป็นสมุนแรกเกินไปอย่างน้อยต้องจูบผ้านะครับยี่สิบเบดรูปนั่งได้นะนั่งทางสารกลรมได้ถึงจะเป็นสีมาครับอันที่สองสีมาที่ใหญ่เกินไปคือสีมาที่สมมุญไว้เกินสามโยกน์โหหนึ่งโยกส์1หกกิโลใช่ไหมสามโยกเท่าไหร่สิบหกคูณสามลองคิดดู สี่สิบแปดกิโลนั้นนะนะครับสมมุติสีมานะครับใหญ่อย่างมากสุดได้สี่สิบแปกิโลห้ามเกินนั้นนะครับถ้าเกินแม้แต่ปลายผมเส้นผมแม่นิดเดียวนะไม่ได้เลยสีมาเรียกชื่อว่าใหญ่เกินไปนครับก็วิบัติอย่างนี้นสมัยก่อนนะ่ะภาษาดีบุตรท่านสมุิสีมานะ่ในกรุงราจะคือใช่ไหมครับที่ว่ากินหมู่บ้าบบนสิบแปดตบลนะนะครับนั่นเลยสบายนะั่นอย่างนั้นอนะ่ะนะครับ อจะมีอันนี้สงนะครัหลายอย่างนะสิบแปดตำบลแต่ก็ไม่เกินไม่เกินสามโยกครับสามนะสีมาที่มีนิมิตขาดคือสีมาที่มีนิมิตขาดช่วงไปสงครั้งท่านนิมิตในทิศตะวันออกแล้วทักในทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือต่างลำดับแล้วต้องทักนิมิตที่ทักไว้ในทิศตะวันออกสามอีแล้ะจึงหยุดพัก สีมาย่อมีนิมิตไม่ขาดด้วยกันการทําอย่างนี้ให้ดูในตารางนี้นะครับ <c oughs> ในตารางนี้นะอันนี้เป็นแบบผมไม่ต้องขึ้นกราษเราจะเห็นว่าเอานนดูตรงนิมิตนะครับต้นไม้นะคก้อนหินจอมปลวกแม่นะสมมุติว่าตรงจอมปลวกนะเป็นทิศตะวันออกใช่ไหมนะครับท่านก็จะสมมุติที่ทิศตะวันออกกันนะจอมปลวกทิศตะวันออกแม่นะเป็นทิศ ตาอสุมุนหน้าอสุมุนนะครับถือว่าเราเพิ่งหนิดก็แล้กันต้นไม้เป็นที่ตะวันตกแล้วก็ก้อนหินเป็นที่เหนือนะครับสมมุตินี้แวเราทั้งนิมิตนะเขาจะมีคําทั้งนิมิตนะครับ <c oughs> ทั้งวาอะไรนะอุรัทิมายะที่สายะกิงนิมิตตังทิศตะวันออกมีอะไรเป็นนิมิตนะครับเนี่ยไอตอรงข้อทิสายะมันเขียนคําทั้งนิมิตนะทิศตะวันออกนะครับปริมาผู้ทั้งนะ ก็จะมีคนถามถามว่าปุริมาทีิสาเนกินณิมิตังทิศตะวันออกมีอะไรเป็นนิมิตก็ตอบไปเลย่าไงจอมปัวนะวามิโกพันเตอะไรนะจอมปัวคณะท่านผู้เจริญเ่จอมปัวท่านผู้จจเจริญอย่างนี้นะก็ทักไป <c oughs> ก็จะมีคนถามแล้วก็มีคนตอบพอเขาตอบเสร็จคนถามก็มาสรุปอีกทีหนึ่งนะคะว่าเอโซวามิโกนิมิตังนะครับ จอมปวกนั่นเป็นนิมิมนนตในนี้นะท่านสองท่านต่อในนี้ผู้ฟงข้างๆนะแต่ดีทันจะที่บ้านเรื่การทักทีหลังนะครับเวลาเราทักเนี่ยแล้วก็นยิยมทักที่ตะวันออกก่อนนะไปทัาที่ตะวันออกปุ๊บก็มาทักทิศใต้ใ น, นะครับมาทักที่แม่น้ำนะไอ้นาทีนาทีนิมิตังพอทักแม่น้ำเสร็จก็มาทักตะวันตกต้นไม้พอต้นไม้เสร็จมาทั่งที่ก้อนหินทิศเหนือนะครับพอก้อนหินเสร็จแล้วนะ เราก็มาทั้งที่จอมปวกนี้ซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับนิมิถุนจะชื่อว่าเชื่อมกันนะคือเชื่อมไปเเป็นมันก็ถ้าเราขีดเส้นใช่ไหมเราน่าจากเนี่ยมาอะไรนะครับมันถึงจะมาเชื่อมต่อกันทีนะครับเนี่ยอันนี้ชื่อว่านิมิตไม่ขาดแต่ว่าถ้าเราทั้งนิมิตนะตัแต่จอมปวกมาแม่นะมาต้นไม้แล้วก็มาก้อนหินแล้วเราไปหยุดแค่ก้อนหินนะครับ ไม่ไม่มาทั้งจองปวกซ้ำอีกครั้งหนึ่งน่ะอยู่แค่ก้อนหินน่ะนี่ไม่ถือว่าขาดาไม่เชื่อมกันนี่ก็ใช้ไม่ได้ครับครับครับได้ครับมนเองครับผู้ตอบเป็นโยมเป็นเนรหรือเป็นโยมก็ได้ครับนี่ก็มีครั้งหนึ่งที่ของหลวงพ่อประยุติตให้ผูกสีมานะถ้าเขาถ่ายวิดีโอไว้นะ พระก็อยู่ในเศษสีมาแล้วก็ข้างนิมิตพาะก็ถามนะอะไรนะปุรชิมาญาติสายาตกินนิมิตังโยมก็มางานท่านแบบโอ้โหเยอะมากเลครับโยมก็ตอบพร้อมกันเลยปาสาโนพันเตนะครับโยมก็อยู่นอกสีมาข้างนอกนะพระอยู่ในสีมาถานโยมก็ตอบนะครับแล้วพาะก็สรุปอีกทีหนึง่งเอโสปาสาวนิมิตังนะครับทักหนึ้งเนี่ยด้านครับผู้ตอบก็เป็นโยมก็ได้ครับ <c oughs> เนี่ยท่นก็พูดถึงต่อไปนะครับแต่ถ้าทักนิมิตในที่เหนืออาทิตก้อนหินเมื่อกี้ท่านไปถึงก้อนหินแล้ว <c oughs> มาตามลําดับแล้วหยุดไว้ที่นิมิตในที่เหนือนั้นนั่นแหละสีมาจึงชื่อว่ามีนิมิตขาดก็ใช้ไม่ได้นะสีมาวิบัติสีมาที่มีมนิมิตขานไะม่อย่างนึ่งอีกคือสีมาที่เอาต้นไม้มีเปลือกเป็นแกนเช่นต้นตาลเป็นต้นก็ดี ตอไม้ก็ดีครับกองยินกองทรายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีซึ่งจะใช้เป็นนิมิตไม่ได้ให้เป็นนิมิตทีชิ้นใดชิดนช้นหนึ่งแล้วสมมุติว่าในระหว่าง น, นิมิตชิ้นอื่นอื่นคือต้นไม้นะที่เราจะเอาเป็นนิมิตได้เนี่ยต้องเป็นต้นไม้ที่มีแก่นต้นไม้ที่มีแก่นข้างในนะครับถ้าพวกต้นตาลต้นมะพร้าวเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้มีแก่นในใช่ไหมก็คือเปลือกของมั น, นก็คือเป็นแก่นไปทั้งตัวใช่ไหมครับ เขาเรียกว่าต the the ้นไม้ที่มีเปลือกเป็นแก่นนะต้นตาลต้นมะพร้าวเป็นต้นเนี่ยก็จะมาใช้คทำนิมิตไม่ได้นะครับเนี่ยทนไม่ได้เลยหรือเขาบอกเอาต้นไม้เราเอาตอไม้มาเลยตัดหรือแต่ตอนี้ก็ใช้เป็นนิมิตไม่ได้นะนะครับหรือว่าเอ้าลาบากนะนาดะหินมันหนักใช่ไหมเราก็เอาดินอาซามากองมาเลยนะครับเอากองกองซามมาทําเป็นนิมิตไอ้นี้ใช้ไม่ได้เท่านั้นนะครับเนี่ยนะถ้าจะใช้พวเนี่ย ทั้งสี่นิมิตเลยนะอันนี้ไม่ได้อะไรทั้งเขาหรือว่าแค่อันใดอันหนึ่งนะมาแซงไว้นะครับมาแทรกไว้นะ่ะในนิมิตทั้งทั้งหลาที่ว่ามาครับความจริงนิมิตเนี่ยเรามีเนีย่ยแค่สามก็ได้นะหรือว่าอย่างมากถึงเป็นร้อยนิมิตเลยก็ได้นะครับและแต่ว่าเราต้องการนิมิตเท่าไหร่นะ <c oughs> ชิไมไปนู่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรืออะไรมากกว่านั้นนะครับก็ได้นะเนี่ยเป็นร้อยยังก็ได้นะครับไม่ปิดอะไร ถ้าใครจะทําแบบพิสดารอย่างนั้นนะได้แต่นี่สมมุติว่าถ้าสีนิ้มินใช่ไหมสมมุติว่าในตารางนะครับต้นไม้ของเราต้นนี้เน่ะเป็นต้นนักท้าหรือว่าต้นตานะครับนิ่มินของเราก็ถือว่าไม่เชื่อมกันใช่ไหมหรือว่ามินมีขามกันนะครับเพราะเราสิ่งที่ใช้เป็นนิมินไม่ได้เป็นนิมินหรือว่าก้อนหินจอมปัวมันการเป็นกองกองซาแทนนี้นะครับก็ใช้เป็นนิมินไม่ได้มันก็ใช้ไม่ได้ถือว่าถือว่ามินมีขามันกันนะครับ คือทั้งทั้งท้งที่ใดแหละที่เราทําเป็นนิมิตเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ใช้เป็นนิมิตเท่านิมิตได้นครับต่อมาสีมาที่มีเงาเป็นนิมิตคือสีมาที่ทําเงาของต้นไม้เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นนิมิตสมบูรณ์ไว้ใช้อาใช้เงาไม่ได้นะครับต้องใช้ต้นไม้ไปเลยจะมาใช้เงาของต้นไม้เป็นนิมิตนะเป็นเครื่องหมายกำหนเขตสีไม้นี้ไม่ได้นะครับ อันนี้นะก็ชื่อว่าสีมาที่มีงานเปนิมิตวิบัตรับใช้ไม่ได้ต่อไปสีมาที่ไม่มีนิมิตคือสีมาที่ไม่ได้ทักนิมิตไว้ดุจประการทั้งปวงสมมูลไว้มาจหนวนเขตเอาเองนะและก็มีการไม่มีการไปทักนิมิตนะครับสวนสมมุติไปเลยนี้ก็วิบัติใช้ไม่ได้เพราะไม่มีนิมิตหกนะครับสีมาที่ยืนนอกเขตสมมุติไว้คือสีมาที่ทังนิมิตเสร็จแล้ว ก็ทําเสร็จนะถึงขนาดว่าทางนิมเรียบร้อยถูกต้องนะครับยืนอยู่นอกนอกนิมิตสมมติไว้คือปกติเนี่ยเวลาสมมุติสีมาเนี่ยที่สุดทุกลูกงานที่นดนทํากรรมเนี่ยต้องเข้าไปยืนอยู่ภายในเขตนิมิตนะครับภายในสีมาะที่ยยืนในเขตนิมิตใช่ไหมแล้วก็สมมุติสีมาครับถึงจะทําหน้าถ้าอยู่นอกเขต น, นะแล้วก็สมมุติสีมานี่ก็ไม่ขึ้นนะครับอันนี้ยังไม่ครบยังไม่ครบสุดแน่นต่อไป เอ๋อเวล า, าอถอนมันยังไม่มีข้างนอกข้างในเอ้อเวลาจะถอนสีมาของเก่าใช่ไหมครับโอ๋อข้อผีข้างในนะครับท<ม>ุกตารางนิ้วเลยนะ<ม>ถ้าถอนสีมายิ่งละเอียดกว่านะครับเนี่าสมมุ ต, อมติอีกครับ ใ, นะใช่ครับทุกตารางนิ้วเลยครับไม่ได้เลยนะตารางนิ้วที่เป็นสีมาเก่าของเราเนะี่ยจะมีการตีตารางถ้าเราสมมุตินะครับ สมมุตินี่ยั้ไม่ยังไม่จเป็นต้องทุกตารางนิ้วเลยนะแค่ว่าอยู่ในเขตนะครับในเขตของสีมานะใช้ได้นะแต่ถ้าถอ น, นี้ไม่ได้เลยมีการตีตารางนะครับตารางนะมีความยาวนะอันนี้ต่ําสุดนะครับยาวห้าศอกแล้วก็วัดไปเลยความยาวห้าศอกแล้วความกว้าสงสองศอกครนะครับขนาดว่าพาสีรูปเข้าไปสวดได้สบายๆใช่ไหมเข้าไปเข้าไปทํากรรส่วตรงนั้นได้นะครับแล้วก็สวดถอนไปเลย ทุกตารางหมดเลยทั้งตารางที่เป็นเขตสีมาไม่ใช่บบเฉพาะแค่ในเขตสีมานะครับเรายังทําตารางออกมานอกเขตสีมาอีกสองตารางทุกทิศนะ<อ>แล้วเห็นลองเราดูในตารางนะครับในที่เป็นทึบๆคือตัวเขตสีมานะแล้วที่ออกมานอกเขตสีมาเนี่ยมันจะมีสองตารางทุกทิศเลยใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีเห็นผลมากทำไมต้องทานี้นะเนี่ยทรมาเผื่อเยอะขนาดนี้นะครับ เป็นการป้องการสีมาเก่านะที่มันมีอยู่ถ้าสีมาเก่าที่ยังมีอยู่แล้วเราไปสมมุติถ้านะครับจะทัายสีมาของเราใช้ไม่ได้เลยเพราะเราก็ต้องถอนแบบให้หมดเลยนะกามาสีมาเก่ามาอยู่ตรงไหน น, นะครับมันอยู่ตรงไหนนะยื่นเข้ามาทางไหนก็แล้วแต่นะครับจะถูกถอนมาทั้งหมดเลยนะ <c oughs> ะช้อนปูนี่เป็นนิ้มเฉยไม่ได้เป็นสีมาเป็นเครื่องหมายโอเคเฉย นี่นะครับต่อไปออสีมาที่สมมุติในแม่นะ้ำในทะเลในสระธรรมชาติก็คือสีมาที่สมมติไว้ในแม่นะ้ำเป็นต้นนั่นแหละความจริงสีมานั้นถึงจะสมมุติแล้วอย่างนี้ก็ยังจัดว่าไม่สมมุติอยู่นั่นเองเพราะพระบาลีว่าพิสุทธ์ทั้งหลายแม่นะ้ำทั้งหมดไม่ใช่สีมา ทะเลทั้งหมดไม่ใช่สีมาศาสร์ธรรมชาติทั้งหมดไม่ใช่สีมานะครับอย่างนี้นะคือไม่ใช่พัทธสีมาเป็นสีมาธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ ถ, ถ้ า, s, ถา Level s, Level s, เราไปสมมุ ans, มมติถ้าเราไปสมมุติเป็นพัทธสีมาเนี่ยก้อนสมมุติไม่ขึ้นนะสมมติไม่ขึ้นเนี่ยก็ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยแต่ถ้าให้เราทําเป็นสีมาธรรมชาติแล้วก็ไปทํากรรมนกะก็ขึ้นนะครับนทะเลศาสตรทําแม่นะศสตร์ธราาธ ร, ม Peru, ธรมชาตินะอือ ม, นะมันจะมีลักษณะหนยยึ่งที่ว่า สมมุติสีมาค้อมแม่น้ำนะครับก็คือสมมุติสีมาเนี่ยสมมุติว่าไม่ต้องเกย์อะแผ่นนอันนี้นะมันเป็นแม่นะ้ำใช่ไหมครับสองฝั่งนะอันนี้เป็นแม่นะ้ำที่ไหลนะครับเราก็สมมุติฝัตั้งแต่ฝั่งแม่นะ้ำสองฝั่งเลยนะสมมุติค้อมแม่น้ำกั <c oughs> <c oughs> นเลยอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะได้เหมือนกันในกรณีที่มันมีสภานข้าไป หรือว่ามีเรือที่สามารถไปมาหลังสองฝั่งได้ครับแค่ทู่ว่านาวาเรือประจำนะนี่ยแล้วก็สมมุติครอบแม่น้ำไปต้องเป็นลักษณะนั้นถึงจะสมมุติครอบได้นะครับถ้าไม่ได้มีสภาหรือไม่ได้มีเรือประจํำนะที่จะลงไปทำกรรมในแม่น้ําได้นะครับเราจะเป็นสมมุติครอบแม่น้ํานั้นเลยไม่ได้ครับถ้าเรี้กว่าสีมาที่ครอบแม่น้ำเขานี้ว่านาทีปลาสีมาสีมาฝั่งแม่น้ําใช่ไหมจะฝั่งแม่น้ำ ก็มีสะพัน์หรือว่าเรือนะครับแต่ถ้าเป็นแม่น้ำธรรมชาติจริงๆถ้าเราจะทาทํานะทํากรรมในสีมาธรรมชาติในแม่น้ำก็ไม่จะเป็นต้องสมมุติหรอนะครับมันมีเรือแล้วก็ลงไปเลยแล้วก็ทอดสมอทิ้งไว้นะอย่าให้เรือเคลื่อนไปนะครับถ้าเรือเคลื่อนนี่ไม่ได้นะถ้าเรือเคลื่อนเนี่ยมือนก็ว่าสีมามันไหลไป <c oughs> มันใช้ไม่ได้เพราะว่าเวลาลงไปในน้ํานะครับสีมาเราจะมีแค่ ตัวระยะวัดน้ำสาหรัครับจากที่สู่รูปสุดท้ายบริสันดโดยรอบใช่ไหมแล้วก็สาน้ำออกไปโดยรอบใช่ไหมครับน้ําตกที่ไหนนะเขตซมาคาร์นแม่น้ำมันก็จะมีแค่นั้นนะครับนี่แหละทีนี้อ่ะถ้าว่าเราให้เรืเลอล่องไปเรื่อยๆใช่ไหมสีมามันก็จะมีหลายที่นะครับอัญติก็จะมีที่หนึ่งกัมมาวาจาก็มีที่หนึ่งอย่างนี้นะอยู่เช่นนี่ไปเรื่อยๆนะครับใช้ไม่ได้ ต้องทอดสมอนั้นยินมาจากที่ตรงนั้นเลยอ๋อลงไปเลยได้เขาไม่ไม่ค่อยเรืออะไลงไปทั้งตัวอะไรเขาใช่ใช่ลงไปยืนในแม่น้ำก็ได้ก็ได้ครับนี่แหละ <c oughs> ต้องมีเหตุ <c oughs> เขาลงไปเลยคเขาเราไม่จำเป็นปต้องลงไปน้ำหรือเปลอาใช่ไหม <c oughs> แค่ลงไปถึงแค่ในแม่น้ําก็ใช้ได้แล้วนะครับง่รับผมว่าไปลงที่บ้านเป็นลงที่หมอ ไไกันไั้งสองรูปนะครับนีน <c oughs> ที่วานที่วานไม่มีสีมานะมีสีมาก็เรนอมแม่น้ำกันนะครับเน <c oughs> ี่ยว่าดกันแล้วเขตแดนสีมาคือเขตแดน <c oughs> เขตแดนในการทําสัญลกษณ์ของประสงค์เรียกว่าสีมาครับต่อไปนะครับชื่อว่าสีมาที่สมมุติข้ามเกี่ยวสีมา สีมาที่สมมติข้ามเกี่ยวกับสีมาของพิสุเหล่าอื่นด้วยสีมาของตนนะวความจริงอันนี้ผมต้องขึ้นกรานนะพอดีอันนี้ไม่ได้ว่าต้องขึ้นกระานะ น, านะคือเป็นเหตุการเนี่ยเกี่ยวกับถ้า ท, ท่านอาจารย์ที่บาสีมาข้ามเกี่ยวมันจะมีทับด้วยนะสีมาทับสีมาสีม า, มาข้ามเกี่ยวสีมา ถ้าข้ามมันจะเยอะปะถ้าข้ามเกี่ยวก็เนี่ยไม่เยอะนะครับมันจะกินแดนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ที่ว่าสีมาที่สมมติข้ามเกี่ยวสีมาคือสีมาที่สมมติข้ามเกี่ยวกับสีมาของพิสุลาอื่นด้วยสีมาของตน <c oughs> ความจริงถ้าในทิศตะวันออกของวัดเก่าดูให้ดีนะทิศตะวันออกก็จะเป็นวัดเก่านะครับมีต้นไม้สองต้นคือต้นมะม่วง แรงต้นว่าที่มีค่าค่าครอบไม้เกี่ยวกั น, เ ก, กนาากเกี่ยวกันด้วยนะคข้าไม้เกี่ยวกันด้วยไม้เกี่ยวไม้เกี่ยวกันไม่ได้ว่า้ามเกี่ยวกันนะครับไม่เป็นไรบรรดาต้นไม้ทั้งสองนั้นต้นว่าขึ้นอยู่ในทิศตะวันตกของต้นมะม่วงเนะี่ยมะม่วงทิศตะวันออกใช่ไหมต้นว่ามนทิศตะวันตกนะครับและสีมาในวัดของพวกปิสุที่ทังต้นมะม่วงเป็นนิมิตโ ด, ดยให้ต้นว่า อยู่ด้านในปลูกไว้นะครับนะคือนะครับพิสุก็มีพวกแรกก่อนใช่ไหมเท่าทั้งต้นมะม่วงเป็นนิมิตนะครับเมื่อทังต้นมะม่วงเป็นนิมิตปุบนะ๊บเนี่ยไอ้ต้นว่างก็อยู่ในเขตสีมางเขาใช่ไหมอยู่ตามภาพนะเอามะม่วงเป็นนิมิตนะครับต้นว่างก็อยู่ในเขตสีมาเล ย, ยนีพวกแรกนะแสดงว่าพวกแรกจะพวกฝ่ายตะวันตกใช่ไหมเนี่ยนะ ต่อมาภายหลังเมื่อเขาสร้างวัดในทิศตะวันออกนะครับของวัดเดิมนั้นเสร็จแล้วพวกวิสุ์เมื่อจะผูกสีมาจึงทักต้นว่านะครับเป็นนิมิต เ, เนี่ยพวนินก็ไปทักต้นว่าเป็นนิมิตเลยนะโดยให้ต้นมะม่วงนั้นอยู่ด้านในเนี่ยมะม่วงต้นมะม่วงก็มาอยู่ด้านในของสีมานัตนเองใช่ไหมผูกสีมาไว้สีมาได้ชื่อว่าข้ามเกี่ยวกับสีมาด้วยสีมา เนี่ยสีมาก็เลยข้างเกี่ยวไันไงเพราะว่าแป้นนี้มิตของอีกสีมานึงเนี่ยมาเป็นข้าอยู่ข้างในสีมาของตนใช่ไหมครับเนี่ยอย่างภาพที่เห็นแหละนะครับตอนแรกหน้าฝาทิศตะวันตกเขาสมุนก่อนนะครับเขาก็แปลต้นมะม่วงนะเป็นนิมิตใช่ไหมแล้วต้นว่าเป็นในสีมาของเขาทีนี้พอฝ่ายตะวันออกมาบ้างนะครับก็ต้นว่าเป็นนิมิตแทนและการต้นมะม่วงนะ มาเข้ามปในเขตสีมาตัวเองนี้นะสีมาก็จะมีการเกี่ยวกันนะครับอย่างนี้คาดเกี่ยวกันอยู่ใช้ไม่ได้นะสีมานี่ก็วิบัติต่อไปนะครับสีมาชื่อว่าสีมาที่สมมุติทับสีมาต่อบไปนะครับแต่ชื่อว่าสีมาที่สมมุติทับสีมาคือสีมาที่สมมุติทับสีมาของวิสุลักษณ์อื่นด้วยสีมาของตนอันนี้ทับไปเลยนะ ความจริงถ้าพวกพิสูจ์สมมุติสีมาของตนโดยทำพัทธสีมาของพิสูจน์หลักอื่นทั้งหมดนะครับทับไปเลยทั้งตารางเลยนะนะครับหรือบางส่วนนะถ้า บ, บางส่วนก็แล้วแต่แห่งสีมานั้นไว้ด้านในได้ชื่อว่าทับสีมาด้วยสีมานะครับทีนี้ก็จะมีคําถามว่าเ อ, อ้าแล้วสีมาข้าบเกี่ยวนะมันก็มีการไปทับสีมาของพิสูจนหลักอื่นใช่ไหมครับ สีมาข้ามเกี่ยวกับสีมาข้ามสีมามีความต่างกันอย่งต่างกันอยู่หน่อยนะครับถ้าบอกว่าออันนี้ผมไปเขียนเขียนสรุปมาีนะสมมุติสีมานะที่ไปกินพื้นที่ของสีมาเก่านะครับถ้าการไปเข้าไปในเขตสีมาอื่นนะไม่พอจุวิสุทธิ์สีรูปนะครับไม่พอจุวิสุทธิ์สีรูปลงมาเท่าถึงตายผมชื่อว่าข้ามเกี่ยวคือประสานคนกันนะครับ ที่ไปทับสีมาอื่นนะทับแค่นิดเดียวถ้าสีรูปเข้าไปอยู่ไม่ได้นะครับจนถึงขนาดว่าทับเท่าปลายเส้นผมนี้ก็ไม่ได้อันนี้ชื่อว่าข่าเกี่ยวยังไม่ชื่อว่าทับเลยถ้าชื่อว่าทับวคือไปกินแดนนะครับของสีมาพิส่จนอื่นนะขนาดว่าที่สู่สีรูปพอนั่งร้เนาล้วตอนไหนที่สูดสีรูปขึ้นไปนะครับสีรูกนะพอนั่งได้จนถึงขนาดว่าทับทั้งหมดอันนี้ชื่อว่าทับนะครับ ผมเห็นว่าสมมุติสีมากินพื้นที่ของสีมาเก่าไม่พอจุที่สูตรสีรูปนะครับลงมาแล้วอันนี้มีแล้วใช่ไหมที่ฐานกระสาฉบับใหม่จะมีนะครับลงมานะเท่าถึงปลายผมชื่อว่าข้าวเกี่ยวก็คือประสมลคนกันแต่ถ้าสองสมมุติสีมากินพื้นที่ของสีมาเก่านะครับตั้งแต่พอนั่งได้สีลูปนะขึ้นไป จนถึงทั้งหมดอันนี้ชื่อว่าธรรมนะครับก็จะต่าง ก, กันหน่ออยางนี่นนเลสีมาที่สมมุติไว้โดยพ้นจากสีมาวิบัติสิบเอ็ดอย่างเหล่านี้ชื่อว่าพัทธสีมาตามที่ได้อธิบายมาชนี้นะครับพ้นจากวิบัตินี้หมดเลยคําว่าติดวิทัศสัมปติยุตตาความว่าสีมาสมบูรณ์ด้วยนิมิตและบริสับริสัท และกรรมวาจาร์นิมิตบริษัทและกรรมวาจาร์ในความสมบูรณ์ท <c oughs> ั้งสามนั้นชื่อว่าสีมาที่ประกอบด้วยความสมบูรณ์แห่งนิมิตนะครับไอความสมบูรณ์ความถึงพร้อมนะมีสามอย่างนะครับถึงพร้อมในนิมิตถึงพร้อมในบริษัทแล้วก็หรือว่าถึงพร้อมในกรรมวาจาร์ที่วามสมบูรณ์นะครับชื่อว่าสีมาที่ประกอบด้วยความสมบูรณ์แห่งนิมิตคือสีมาที่ทั้งนิมิต เพิ่ได้ลักษณะาตามแต่จะหาได้นในแต่ละทิศโดยถูกต้องตามวิธีเป็นต้นว่าครับพิสุพูทักถามว่าทิศตะวันออกมีอะไรเป็นนิมิตเนี่ยห้าคําทักภาษาบาลีเนี่ยก็อยู่ในนี้นะครับในชี้ข้อที่สามนะจะถามว่าเนี่ยทิศตะวันออกมีอะไรเป็นนิมิตบาลีว่าภุริมายะทิสายะกิงนิมิตตังนะครับ ในทิศตะ ว, วันออกมีอะไรเป็นนิมิตรผู้ตอบก็ออตอบว่าไงอันนี้ภูเขานะปลาสาโนก้อนหินภูเขาก็ปัพโตพันเตนะครับภูเขาครับท่านผู้เจอนะผู้ทักก็จะกล่าวว่าเอโสปปโตนิมิตต่างภูเขานั่นเป็ น, นมิตรก็จะเท่าเป็นอย่างนี้นะเนี่ยก็ชื่อว่าทางมิตรนะครับได้แล้วหนึ่งนิมิต นี่มิตแปที่ทานกำหนดไว้คือนะ<อ>ครับก็คือสิ่งที่เราจะ เ, เป็นนิมิตนะเอามาเป็นเครื่องหมายกนเขตในของสีมาดาก็มีแปด อ, นะอย่างคือหนึ่งภูเขาสองก้อนหินสามป่าสี่ต้นไม้ห้าถนนหกจอมปัวเจ็ดแม่น้ำอึใช่เจ็ดแม่น้ำแปดน้ำนะครับนี่แหละแปดอย่างนะครับ อ๋ถ้าน้ำในภาชนะไม่ได้นะครับจะต้องเป็นน้ำในแอ่นนะในสระนะครับหรือแม้แต่น้ำที่ให้เนนกะปิยาหลุมขุดตอนนั้นก็แล้วแต่แล้วอาน้ำเทลงไปนะครับรถ้าได้นครับแต่ไม่ใช่น้ำในภาชนะต้องน้ำที่ขังอยู่นะครับแล้วน้ำสามารถขังอยู่จนเราสวดกรรมวาจาจบนะครับน้ำแล้วก็เป็นเป็นนิมิตได้นะครับ ไม่ได้ใช่ไม่ล่ะเสริมไปด้วยเติมไปด้วยเหรอเอาสายยางมันต่อเลยเอ้าดาวน์ไฮคลาขอให้มีน้ํานะมีน้ําครับต่อไม่ก็เป็นคาอธิบายนะของนี้มแต่ละอย่างบรรดานี้มิทั้งแปดอย่างนั้นพึงสร้างสิ่งที่ใช้เป็นนิมิตได้โดยย่อดังต่อไปนี้ หนึ่งครับก็ภูเขาสามประเภทคือภูเขาที่เป็นดินล้วนภูเขาหินล้วนและภูเขาหินปนดินอันนี้นะครับเป็นนิมิตได้ภูเขาใหญ่เท่าช้างขึ้นไปจึงจะใช้เป็นนิมิตไดนะ้ขนาดเท่าช้างก็โอ้โหเกีกภูเขาเล็เลกๆใช่ไหมตั้งแต่ขนาดเท่าช้างขึ้นไปนะครับเล็กกว่านั้นใช้ไม่ได้นะถ้าเล็กกว่าช้างนี้ไม่ใช้เป็นภูเขานิมิตไม่ได้นะครับ แต่ใช้เป็นนิมิตประเภทเอใช้เป็นนิมิตประเภทภูเขาไม่ได้แต่ใช้เป็นนิมิตประเภทอื่นได้อยู่นะใช้เป็นนิมิตอะไรแทนนะครับถ้าเป็นภูเขาหินน่ะแล้วก็ใช้เป็นนิมิตหินแทนได้นะครับแต่เป็นนิมิตภูเขาไม่ได้ไม่มีสนามนี้ยไม่มีอยู่ในแปะข้อจริงนะอันนี้นะภูเขาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ต่อไปสองในนิมิตคือก้อนหิน ถึงก้อนเหล็กนะครับก็ถึงการนับว่าเป็นหินเหมือนกันแต่ก้อนปูนไม่ได้พูดถึงนะก้อนปูนถึงก็ไม่เอานะครับเอาหินและก็เหล็กเพราะฉะนั้นก้อนหินทุกอยาก่างขนาดใหญ่สุดและ ก, กว่าช้าหน่อยหนึ่งนะครับถ้ามันใหญ่เท่าช้านหนึเป็นภูเขาไปใช่ไหมมันต้องเล็กกว่าช้า น, นะครับเล็กกว่าช้าหน่อยหนึ่งเลยแรกสุดนะครับขนาดเท่ากับก้อนน้ำอ้อยหนักสามสองปาระ คือประมาณกิโลครึ่ง น, นะครับกิโลครึ่งไม้เอาขนาดไม่ได้เอาน้ําหนักหินนะครับเนี่ยนะหม้เพราะว่าน้ําอ้อยนะครับน้ำอ้อยก้อนนะที่มันหนักสามหรืงสองปาระนะนะคือกิโลครึ่งนะขนาดเท่าไหร่นะครับหินขนาดเท่านั้นนะตั้งแต่นั้นขึ้นไปนะใช้เป็นนิมิตได้นะครับนะจึงใช้เป็นนิมิตได้เอ่อท่านก็เลยว่าเอาขนาดนะครับเอาขนาดที่มันเท่ากันเนี่นะไมเอน้ําหนหัแกแกล้กว่านี้ใช้ไม่ได้ ส่วนหินดาหใหญ่ขนาดไหนก็ใช้เป็นนิมิตได้นะครับหินดาห์นี่จะหินดาด์ไหครับหินดาหคือเป็นแผ่นหินนะครับแผ่นหินศิลาแผ่นแผ่นหินนะที่ขึ้นไปยืนไปบนอะไรกันนั่นได้นะครับอือเรียกว่าวหินดาหนะ์อย่างเช่วัดเราเนี่ยเพราะมันเป็นหินดาหใช่ไหมไอ้ตรงที่ตรงนั้นนะ่ะไม่วบางจุดนะ่ะ มันจะมีแผ่นหินขึ้นขึ้นมาแล้วก็เดินขึ้นไปตรงที่โบดถ์ตรงนั้นนะแต่ตรงข้างโบสถ์ตรงนั้นแผ่นหิ น, นครับเป็นหินดาใช่ครับรู้สึกนั่นนะถ้าว่าถ้าเป็นหินดาเนะ่แม้ขนาดใหา่ก็ใช้เป็นิมิตไ ด, ด้แต่ว่าบางทีหินหินดาเนะี่ยมันบัดนีน้มันเป็นแผ่นอะไรนะอาจจะไม่ เ, เรียบนี่เลยครับแล้วก็ลาดลงอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราเอาเราจะสมมุติสีมานบนหินดาเนั่นแหละนะแล้วจะเอาหินดาตรงนั้นแหละนะครับเป็นนิมิต แต่นี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่านิมิตแล้วก็สีมาเป็นอันเดียวกันใช่ไหมครับเพราะยังไงนิมิตเนี่ยมันต้องอยู่นอกสีมานะครับแต่นี้เราตัวหินด่านที่มันแผ่ไปทั้งหมดนั้มาเป็นนิมิตเองแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นสีมาใช้ไม่ได้นครับมันไปองอยู่นอกสีมาตรงนี้นแต่ว่าใหญ่ใหญ่ขนาดไหนก็ได้นั่นก็เป็นหินด่านต่อไปนะครับในนิมิตคือป่า ป่าที่มีหมู่ต้นไม้เพียงสี่ห้าต้นโอเคสีห้าต้องเป็นป่าได้แล้วอันจะถูกตัดไปเยอะแล้วน่าเนี่ยป่านั่นนะครับป่าเสื่อมโซรมแล้วเหลือแค่สี่ห้าต้นเองเป็นต้นไม้ที่มีแก่นข้างในก็ดีนะครับเอาต้นไม้มีแก่นข้างในนะเป็นหมู่ต้นไม้ที่แซมด้วยต้นไม้ไม่มีแก่นก็ดีก็คือในป่านั้นนะครับอย่างน้อยต้องมีต้นไม้ที่มีแก่นข้างในสามต้นนะ ต้นไม้อย่างน้อยต้อมีห้าต้นใช่ไหมป่านั้นแล้วก็ต้องเป็นต้นไม้ที่มีแก่นนักอย่างน้อยสามต้นครับใช้เป็นนิมิตได้น้อยกว่านั้นใช้เป็นนิมิตประเภทป่าไม่ได้นะต้นไม้ยังไม่ถึงห้าต้นเลยนะครับหรือว่าห้าต้นแหละต้นไม้ที่มีแก่นยังไม่ถึงไม่ถึงสามต้นเลยใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นป่าใหญ่ต้นไม้เป็นร้อยต้นนี้นะไม่มีปัญหาครับอันนั้นได้เลยต่อไป อ่าต้นไม้นะครับเมื่อกี้นี้มินป่านะต่อไปนี้ไม่ต้นไม้นะครับต้นไม้เป็นหมายถึงว่าต้นไม้ที่ยังไม่ตายต้นไม้เป็นนะ้นถ้าต้นไม้ตายแห้งตายแล้วใช้ไม่ได้นะครับต้นไม้เป็นเป็นมีแก่นข้างในเกิดบนพื้นดินนะครับเกย์บนพื้นดินถึงจะสูงเพียงแปดนิ้วก็ต่างนะมันเขาพิ่งปลูกไม่นานถ้ามันสูงได้แค่แปดนิ้ว ลำต้นมีขนาดเท่าเหล็กหรือเท่าด้ามเหล็กจานใช้เป็นนิมิตได้นะครับลองดูหน้าเหล็จานใหญ่ขนาดนอืมครับเ ข, าเขาจานใบาลานใช่ไหมนะครับเล็กกว่านั้นใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าต้นไม้ในกระถางไม่ได้นะพุ่งต้องลงดินหมดเลยนะครับอยู่บนกระถางนี้ใช้ไม่ได้เลยหรือว่าถ้าเราจะต้องการเป็นนิมิตคือเราปลูกเลยปลูกตอนนั้นก็ใช้ได้ครับขอให้มันไม่ตายกระดกันนะแล้วก็ปลูกรดหนอะไรอย่างนั้นเลย ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าอยู่ในกระถาง น, นี่ใช้ไม่ได้ครับ อ, อนนัไม่ได้ครับตั้งกระถานง <c oughs> ต่อไปสําหรับหนทางจะเป็นทางคนเดินก็ตามทางเกวียนก็ตามสมัยนี้ทางรถใช่นหครับทางเดินทางรถแลแต่นะทางที่ตัดทางหมู่บ้านสองสามหมู่บ้านซึ่งพวกพ่อค้าเดินเท้าและพวกพ่อค้าเกวียน ใช้สัญจรกันใช้เป็นนิมิตได้นะครับแต่ทางที่ไม่ได้สัญจรใช้เป็นนิมิตไม่ได้อาจจะเป็นทางตายไปแล้วนะคนเขาไม่ได้ใช้กันแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะหย่าต้องทางที่ใช้อยู่นะต่อไปนะครับเราต้องต้ององั้นด้วยนะต้องลักษณะทางางั้นด้วยถ้าเป็นทางสั้นๆ น, นะ เป็นทางอะไรก็จะมีทางเฉพาะตัวเองเฉพาะในเขตของตนอนะ่ะไม่ทางบ้านไหนเลยเฉพาะเขตสวนตัวเองพอทางทนั้นก็ไม่ได้นะชอนเขามากอย่างน้อยผ่านอไอ้นะตัดผ่านหมู่บ้านสองสามหมู่บ้านครับเดี๋ยวดูแป้งมือ น, นะจะมีข้อธิบายเขาบอกว่าทางนะครับซึ่งผ่านไปได้สองสามระยะบ้านจึงใช้ได้นะถ้าอย่างนี้นะชอน ถ้าทางสั้นๆแค่บางทีเขาจะมีใช่ไหมทางจะพ่อหมู่คนนะบางที่เขาทํามันไม่ได้ถ่างบ้านเลยเลยแค่ในเขตบ้างเขาคุนที่เขากว้างมากใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้คเขาได้ไม่มีปัญหาเลยเกินกวนั้นได้นะหากต้างวัดหมู่บ้างก็ไม่เป็นไรต่อไปนะครับอันนี้อันนี้ทางผ่านไปแล้วทางผ่แล้ว อืสำหรับจอมปวงครับเอาจอมปลวกแรกสุดถึงจะก่อตัวขึ้นในวันนั้นสูงเพียงแปดนิ้วนะแค่แปดนิ้วนะมันก่อตัวขึ้นวันนั้นเลยสูงได้แค่แปดนิ้วเองกว้างขนาดเท่าเขาโคเขาวัวนะใช้เป็นนิมิตได้เลข ก, กว่านั้นใช้เป็นนิมิตไม่ได้คนระับรู้สึกบางที่เขาใช้คำว่า เ, า, นนะเาเขาโคเขื่องๆนี่กันนะเขาโคเฉยๆเขื่องๆเขาโคนะครับ นี้ก็ใช้ได้แล้วนะแล้วความกว้างให้เขาโค้งขนาดนั้นแ็กๆแค่นั้นเองใช่ไหมยาวแค่แปดนิ้วใช้เป็นนิมิตได้แล้วนะครับแต่ถ้าเล็กกว่า น, นั้นก็จะใช้ไม่ได้แล้วต่อไปเจ็ก้อแม่น้ําซึ่งจะกล่าวถึงในลักษณะเห่อพัดท่สีมาใช้เป็นนิมิตได้แม่น้ำเหมื่นจะลักษณะนั้นใช้เป็นนิมิตไม่ได้คือยังไงครับก็หมายถึงแม่น้ํำน่ะที่มีน้ําไหลนะ ตลอดสีเดือนนดูฝนนะครับหมายเขาว่าตลอดสีเดือนนั่งดูฝนนะที่ฝนตกชุกนะครับแม่น้ําใดนะมีกระแสไหลไปตลอดน้ําไม่แห้งครับนะที่สุนี้นุ่งสะบงใช่ไหมเป็นปริมณฑลเดินลุยลงไปแล้วก็สะบงเปี่ยนนะครับอย่างนี้นะในนี้แหละแม่น้ําลักษณะนี้ถึใช้เป็นแม่น้ําได้นะครับแต่ถ้าแม่น้ําใดเวลาฝนตกมันก็มีน้ําใช่ไหมพอฝนหยุดปุ๊บน้ําหายเลย มันมีเฉพาะนะตองที่ฝนตกนะอย่างนี้ไม่นะใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้แต่ถ้าตลอดสี่เดือนเดูฝนนะมันไหลตลอดนะครับถึงเราดูอื่นมันไม่มีน้ํานะก็าใช้เป็นแม่น้ําได้ใช้เป็นนิมิตได้แต่ถ่าอาจากที่บายว่าละเอียด น, นะอ่าหน้าสิบเอ็ดในหน้าสิบข้างหน้าเนี่ยอันนี้พูดฟ้าค่าต้นแม่น้ำลักษณะนั้นถือใช้เป็นนิมิตได้นะครับน้ำถือเอาแต่ที่ไม่ไหลนะ น้ำเอาน้ําไม่ไหลนะครับถ้าเป็นน้าไหลเป็นแม่น้ําใช่ไหมก็ไปเข้าไปนิมิๆแม่น้ำแต่น้าที่เอาอน้ําที่ไม่ไหลทั้งอยู่ในบ่อนะครับในสระมึงสระธรรมชาติหรือทะเลเป็นต้นทะเลนี่เป็นน้ําที่ไม่ไหลนะ่ยนั่นมันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้นะธรรมดาไม่ไหลหรออะเป็นต้นด้ยที่สุดถึงจะเป็นน้ําที่เอาหม้อตักมาใส่ให้เต็มหลุม ที่เพิ่งขุดเสร็จนะคะเนในกระพิยาหลุมนะไปตักน้ํามาใส่เลยครั้งอยู่ไม่ซึมหมดไปก่อนสวดกรรมวาจาจบอันนี้ใช้เป็นนิมิตได้นะะ้นําที่ไหลได้ก็ดีที่ไม่ขังอยู่จนกว่าจะสวดกรรมวาจาจบก็ดีที่อยู่ในภาชนะก็ดีใช้เป็นนิมิตไม่ได้นี่ครับอือันนี้นะังก์ชั้นแล้วนะครับต่อไปชื่อว่าอันนี้ได้แล้วนะ ก็ครบนีมิมีทั้งแปดอย่างนะต้องแลกสนามอยนี้นะสมถือเป็นปนิมิตได้เอชื่อว่าสีมาที่สมมูลด้วยบริษัทนะคืออันนี้ท่านยังไม่ได้อธิบายถึงวิธีการ ท, าทั้งยินผมอธิบายแล้วที่พูดแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมึงจะสรุปให้ในในนี้อีกทีในแผนเนี้นะไปวิเคราะหไปใช้จรินเลยนะครับ่นนบาตาม น, นี้ก่อน <c oughs> ชื่อว่าสีมาที่สมมุติด้วยสมบูรณ์ด้วยบริษัทคือสีมาที่พิสูจอย่างต่าสีรูปประชุมกันนําพิสูจน์ในเขตบ้านนั้นที่ไม่ได้อยู่ในพัท่าสีมาของตนก็ดีที่ไม่ได้อยู่ในแม่น้ำทะเลหรือสาะธรรมชาติก็ดีเข้ามาเนี่ยทบ่าหรือนําสันท่ามาแล้วสมมุติไว้นะครับคือวเวลาจะสมะเราจะสมมุติสีมาใช่ไหมเราต้องนิ ม, มนต์พระที่อยู่ในเขตหมู่บ้านทั้งหมดนะครับ เข้ามาเนี่ยทบานถ้าถ้าไม่มาก็ให้ท่านนาสันท่ามานะให้ท่านหมอบสันท่านะครับถ้าถ้าไม่หมอบสันท่าก็ให้ท่านเข้าไปอยู่ในสีมาเลยท่านอยู่ในสีมาหลวงพี่เข้าไปอยู่ในโบสถ์นะในสีมาแล้วห้าออกมาจนกว่าผมจะสมมูติสีมาเสร็จอย่างนี้นะครับแต่ผมคไม่ได้ทำกันหรอกนะหรือว่านะครับอยู่ในพระท่าสีมาก็ดีนะหรือท่านไปอยู่ในแม่นะในทะเลสรธรรมชาติเนี่ยซึ่งเป็นสีมาธรรมชาติอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไร ก็ไม่ทําให้กรรมของเราเสียถ้าท่านไม่ได้อยู่ในที่เหล่านี้อ่นะอยู่ในเขตหมู่บ้านแหละต้อง น, นิมนต์มาให้หมดเลยมาเข้าถวายนิ้นําฉันามานะครับถามว่าทําไมต้องทําอย่างนี้ที่ต้องทําอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราเนีไม่มีสีมาใช่ไหมเมื่อไม่มีสีมาสีมาที่มีอยู่ตอนนั้นคือคามาสีมาสีมาหมู่บ้านนะครับที่เป็นอยู่ตอนนั้นนะเพราะสีมาที่ผู่ยังไม่มีแต่สีมาหมู่บ้านเพราะฉะนั้นท่าที่อยู่ในหมู่บ้านน่ะถือว่าอยู่ในสีมาของเราทั้งหมด นิมังเราจะทำกรรมปุ๊บเราก็ต้อง น, นิมนต์พระเหล่า น, นั้นเข้ามาบำนาหรือว่านำฉันท่ามานะครับพอาะถ้าไม่ทําำนั้นก็จะถือว่ากรรมเป็นว่างใช่ไหมทาไม่ขึ้นนะครับนี่นี่แหละพอเข้ามาเสร็จแล้วนะก็สมมุติเลยครับสมมติกันเลยอย่างนี้ <c oughs> สมัยนี้ก็มีการถองด้วยนะนี่รยายละเอียดนะครับว่าต่อไปสมมุติตนี่นเดียร์ใช้หน้าอันนี้อย่างต่าสี่ลูปนะ ไปนะครับชื่อว่าสีมาที่สมมูรณ์ด้วยกรรมวาจาคือสีมาที่สมมุติด้วยยติทุติยกรรมวาจาอย่างถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้โดยในเป็นต้นว่าสุนาตุเมพันเตตังโคยาวตาส ม, มันตานิมิตากิติตาเป็นต้นนะครับอย่างที่ว่าเราตอนนั้นนะใครมาสวดให้ตอนหน้นอาจารย์โนไทยนะครับท่าเป็นคนมาช่วยสวดให้ที่ว่าเรานะ มีอาจารย์โ น, ท ย, นทยอาจารย์พยออาจารย์สุพลอาจารย์กุดรครับอแต่ละท่านนี่ไม่ใช่ธรมรมดานะที่มาสวดสีมาวันเรานะครับอมาดับประจานใหญ่ๆทั้นั้นเลยนะครับครับแนวหน้าเลยนะครับแล้วก็ไข่อาจารย์ไม่แวนวหน้าใหญ่ๆคือมีสามรูปเดี๋ยวผมก็เป็นเป็นคณะบูรการมาช่วยใครอยากจะรู้ว่ามีใครบ้างนะก็บิลไลที่ในโบส น, นะครับเอ่ามี ห, หลวที่แห้งใครต่อใครนี่หลายรูปนะนะี่ไง มพี่แอสในครับอยู่กันนั่นนะคะแล้วก็สมมุติกันคําสมมุติสีมานะเดช ว, ว่าสุปทีเดียวนะครับอันนี้อันนี้แค่นี้นะท่านก็ ย, อ ย, อยอ่อย่อๆนะสีมาที่พ้นจากสีมาวิบัติสิบเอ็ดย่างประกอบด้วยสมบัติสามถูกนิมิตเชื่อมด้วยนิมิตนะอะพ้นจากวิบัติสิบเอดย่างว่าที่ว่า เ, เมื่อกี้ใช่ไหมมีสีมาแล็กเกินใหญ่เกินตแบบ้นต้นนะครับ ประกอบด้วยสมบัติสามก็คือสมบัติสาของสีมานะครับคือนิมิตสมบัติบริษัทสมบัติและกรรมาวาจาสมบัติถ้าหนังสือเล่มใหม่เนี่ยที่ไปถ่ายเอกสากันจะมีนะพ่อหนังสือผมไปถ่ายเอกสารจะมีเขียนไว้ให้นะครับเนี่ยสมบูรณ์ด้วยสมบัติสาที่ว่าเมื่อกี้นิมิตแปดอย่างเมื่อกี้นะถูกต้องบริษตตออรรัตั้งแต่สีลูกมาเข้าทบาร์หรือนําสัญชามานี้นะครับตั้งแต่สี่ลูกต้องมานะ แล้วก็กรรมวาจีสู่กันถูกต้องถูกหละกถทุกอย่างนะครับแล้วก็ผูกนิมิตเชื่อมด้วยนิมิตนี่มิตเชื่อมต่อกันแล้วสมมุติไว้ตามที่ได้อธิบายมาอธิบายมาแล้วนี้เพิง่งทราบว่าเป็นพทัทธสีมาสีมาที่มีการผูกพทัทธสีมานี้มีสามประเภท ค, คือคันท่าสีมาหนึ่งสมานะสังวาสาสีมาหนึ่งอวิปปวาสาสีมาหนึ่งะครับไม่ได้เป็นสามอย่างนะ ขันท่าสีมาก็หมายถึงว่าสีมาแรกๆหนึ่งครับสีมาแ็กๆเขาจะมีมหาสีมาขนาดสีมาใช่ไหมมหาสีมาคือสีมาใหญ่เลยนะกินแดนเป็นบาทีเป็นหมู่บ้านหรือว่าหลายหมู่บ้านอย่างนี้นะครับมหาสีมาแต่ว่าขันท่าสีมาเนี่ยเป็นสีมาแรกๆที่เราสมมุติไว้เฉพาะของแต่ละวัดแต่ละวัดนะครับถ้าเราทํามหาสีมาเนี่ยสีมาใหญ่หมู่บ้านสิบแปดตำบลอย่างนี้ใช่ไหมเวลาจะทํากรรมเนี่ย แล้วกตอนนี้มนต์ท่านในหมู่บ้านสิบแปดหมู่บ้านทั้งหมดเลยมาร่วมฉันกรรมด้วยกันนะครับหรือนาฉันท่ามามันก็จะลำ บ, บัดใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการทําสมมุติขันทาสีมาก่อนในสิบแหมู่บ้านเนะี่ยแต่ละหมู่บ้านแต่ละวันนะครับก็สมมุติสีมาเฉพาะของตนเองนะเฉพาะนั้นแหละนะครับทีนี้เวลาทลํากรรมปุ๊บเราก็เข้าไปในสีมาของใครของคนนั้นนะแล้วก็ทกํากรรมได้เลยแม้ตอนนี้มนต์วิสุจธ์ที่อยู่ในมาหาสีมาทั้งหมดเข้า ทีเป็นพัดน้สีมาห น, นึ่งเนี่ยนะก็จะมีสันน้ำสีมาสี้ำเล็กๆที่ผล่มาแต่ละวันแต่ละวันนะครับครับให้จดตรงนี้นะครับมันเองแล้วก็สามานสังวาสสีมาสีมาของพิสุที่มีสังวาสเสมอกันนะที่สามารถจะทํากรรมร่วมกันได้นะครับคือแราสมมุติเนี่ยถ้าก็จะสมมุติเป็นสามาสังวาสสีมานะพิสุที่มีสังวาสเสมอกันก็คืออะไรนะครับ กรรมที่เพืนทําร่วมกั น, นทำกรรมร่วมกันได้ไรนะปาติโมกข์ที่เพืนส่วนร่วมกันนะครับและก็มีสีเสมอกันไม่ได้ถูกยกว่าไม่ได้เป็นประราชิกนะตอนนี้เชื่อมีสังวาเสมอกันสีมานะครับที่พิสูจมีสังวาเสมอกันมาทํากรรมได้เชื่อสมานะสังวาศ ส, สีมาแล้วก็อวิปวาสสีมานะครับสีมาที่ไม่อยู่ปัสะจาไตรจีวรธรรมนาผู้ถือไตรคองใช่ไหม ต้องรักษาไตาคองก่อนอุณขึ้นตัวเองกับผ่านต้องอยู่ในอัธบาใช่ไหมครับถ้าอยู่นอกอัธบาก็คือไอ้นะลานตีหานิสิกีต้องอธิฐานใหม่ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเข้าไปอยู่ในอวิปวาศาีมานะนะครับ<ม><ม>ถ้าเข้าอยู่อวิปวาศาีมาปุ๊มเนี่ยเราสามารถอยู่ปร ะ, ะจากษลานตีนะไตจีวอนได้ไม่เ้างไม่ต้องรักษาไตาคองนะครับเพราะถือว่าสีมา น, นี้คุ้มของนะเพราะนั้นเวลาเขาสวดศีมานะ่ะท่านจะสวนนะ ส, ม า, ส, า ส, สมานะสังมาสีมาครับแล้วก็ส่วนวิปปสสีมาครับส่วนไหนก่อนส่วนสมานสังมาสสีมาก่อนแล้วก็ส่วนวิปปวสสีมาที่หลังนะครับในเวลาเดี๋ยววันหลังนะครับค่อยมาอธิบายรายละเอียดนะครับวิธีการลงมือนะส่วนสมุติสีมาจริงนะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงเอาวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับในท้ายที่สุดนี้ ขอความเจริญงอกงามธรรมวินัยของประฐาคนคณะจงมีแก่นทั้งหลายด้วยกันทุกท่านเถิมีการท้ามิมิตรนะครัก่อนนะว่าใช้อะไรเป็นนินมิตรมิมิตก็คือเครื่องหมายที่ใช้คำหนดเขตนะครับมีก้อนหินวกเขาต้นไม้ต้นต้นนะเป็นนมิมิตรนะแล้วก็คำห น, เน ด, ดเขตทั้งมิมิตรเลยเป็นร้อยแล้วก็เสือกมาหวาจา สมมตเป็นสีมาที่มานี่เขาเรียกว่าพรดท่าสีมานะสีมาที่มีการผูกก็ผูกเนื่องจากว่าวาจาพอผูกเสร็จเรียบร้อยก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้แล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือพรดท่าสีมาเป็นสีมาที่ไม่ต้องผูกสีมาธรรมชาติก็คือเช่นแม่น้ํำนะแม่น้ำแล้วก็ทะเลหมู่บ้านเนี่ยนิคมนคร เป็นสีมาธรรมชาติเลยหรืว่าถ้าที่บ้านเราเนี่ยไม่มีสีมาเลยเราก็ลงไปในแม่น้ํำเลยครับลงไปในแม่น้ําแล้วก็ทำเหนือกรรมได้เลยพ่อแม่น้ําถือว่าเป็นสีมาธรรมชาติครับด้เจ้าธรรมหยาดมาอย่า ง, งนะี้นะแม่น้ําภูเขาป่าแล้วดีๆได้เรียนต่อไปนะอันนี้พูดข้างๆครับความเข็ดแน่ใช่ใช่ ไม่เกี่ยวลยก็เพนีของคนไทยเฉยนะถือว่าเป็นสิีมมงคลได้กิจสนมากก็เลยไปติดทองฝังไว้ดิบๆแล้วก็จะมีลูกเอกใช่ไหมอยู่ตรงกลางไม่เกี่ยวลูกเอกนั่นไม่เกี่ยวอะไรลูกที่เกี่ยวคือลูกที่อยู่ข้างนอกนะอยู่นอกหือลูกที่ใช้ในการทําสัญจรจริงเพนีของคนไทยเฉยลูกเกี่ยวกัน เรามมนจำเม็นต้องฝังก็ได้เอา้องสีเนี่ยไปวางเฉยๆในสี่มุมแล้วแต่ว่าเราเอาสีมาเป็นกี่เหลี่ยมนะครับนิมิตตั้งแต่สามนิมิจขึ้นไปเนะี่ยสีมาเป็นรูกสามเหลี่ยมก็ได้สามนิมิจจนถึงหนึ่งร้อยสิบนิ้มิจ ย, ยังได้เลยนะแล้วแต่ว่าต้องกัดขนาดไหนสองนิมิจไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ได้พื้นที่ภายในก็อนน้องใดที่ไม่มีใครขุด เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติข้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้นะอาจจะการบางเป็นชนอะไรแล้วก็เป็นลอกไว้นะ้าหรือว่าพื้นดินมลลักษณะอย่าง น, าางา น, านี้นะครับการธรรมชาติของเขาน้ามีนูนมีนะครับที่ล่าดที่ลุ่มนี่นะแล้วก็เป็นลักษณะหนองไม่มีใครขุดเองเลย <laughs> เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติรับน้ําที่ไหลามาโดยลอกไว้หนะ้าและหนองใดที่มีน้ําขังอยู่ตลอดฤดูฝนเนี่ยนะ ไม่มีใครขุดด้วยแล้วก็มีถังน้ำถังตลอดฤดูฝนด้วยเหมือนกับที่กล่าวไว้ในเรื่องของแม่นะ้นําหนองนี้จัดว่าเป็นสระธรรมชาติสระแนมะ่น้ำธรรมชาต น, นี่ก็ทําเป็นสีมาได้แม้หนองใดถูกน้ําที่เอ่อล้นแม่นะ้ําหรือทะเลซัดเข้าแล้วก็ได้ลักษณะน้องอันนี้ธรรมชาติก็สร้างก็เองนะน้ําที่มันล้นแม่น้ํามาครับหรือว่าทะเลนะต้อเข้าเนะี่ย ก็เลยการเป็นหนอนงน้ำขึ้นมาหนองนี้ก็จัดว่าเป็นสตว์ธรรมชาติเหมือนกันสาม า, า, ารถทำสวนกรรมได้ฉันบอกว่าอันนี้นันอธิบายนะครับเพราะว่ายัางมัชชิมัสสากุริษษษษสสสัมมันตาปุทะปุเคปามีความว่าสถานที่ใดทั้งสามที่เมื่อกี้นะครับแม่ น, น้ําทะเลสารธรรมชาติเนี่ยสถานที่ใดกําหนดด้วยการว่าน้ำสาไปโดยอรอบของบุรุษผู้มีกําลังกางกาง สถานที่นั้นปางกลางกอบน้ําหรือทรายสั้นไปเต็มแรงเหมือนอย่างนักเรงสากาดทอดลูกสากาด เ, เต็มนะาเตี้ยเลยครับอสถานที่ซึ่งน้ําหรือทรายตกไปอย่างนี้ชื่อว่ากุตกุเขปัสสมานข้อว่าอายังตัหาสมานสังว า, าเอกุโปโสถานมีความหมายดังนี้ที่ว่าสถานที่นั้นนะครับไอสระน้ําแม่น้ำเป็นป้อมเมื่อกี้นะ ก็ถือว่าเป็นสีมาที่มีสังวาสเสมอกันมีอยู่โบสดเดียวกันครับสีมาที่กําหนดด้วยการวัานะ์น้ำในแม่นะ้ําเป็นต้นเหลนะ่านั้นจัดเป็นสมานณสังวาสและจัดว่ามีโบสตรกรรมเป็นอันเดียวกันด้วยไปลงปฏิโมกได้เลยครับธรรมสารกรรมได้เลยส <c oughs> ีมาประเภทนี้ได้เฉพาะพื้นภายในแม่นะ้ำไม่ใช่ข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับแม่นะ้ําหรือสตว์ธรรมชาติ สถานที่ใดในฤดูฝนมีน้ำขังอยู่ตลอดสี่เดือนหรือปกตินะคันะอันนี้คือผนเกณฑ์สำหรับทะเลสถานที่ใดถูกคลื่นที่เป็นปกติสั้นถึงอยู่น้ำตั้งแต่พื้นที่นั้นลงไปจัดเป็นกะเพรียงปูคือเขตที่ทําเป็นสีมาได้ครับแบบนั้นะสองสา ม, มารถจะอยู่ในสถานนั้นทำกิจกรรมเป็นต้นไดน้าแม่น้ำและสัตว์ธรรมชาติ มันจะแห้งไปในคราวฝนแล้งหรือในเรื่องดูร้อนอันนี้ก็ไม่ได้เป็นก่นะก็ยังถือว่าเป็นแม่นะเหมือเนเดิมทฤษฎีนั้นก็ยังเป็นกัพยภูมิ อ, อยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าชาวบ้านขุดบอ่อในสระตรงที่แห้งเนี่ยชาวบ้านมีการไปปรุมแต่งทําอะไรเบุญ ม, มานะครับหรือทำแปลงปลูกผักสถานที่นั้นจะเป็นเข่บ้านไปกายเป็นเข่งหมูบ้านาการเป็ีมาหมูบ้านแล้วนะ แม่น้ำไอหนองหายไปนะครับเนี่ยไม่ได้นะใช้เมสีมันแม่น้ำไม่ได้นะก็ไม่ขลครับเป็น่อนะครับแต่เป็นก่อแพงรอบครับครับะ่ว่าเป็นยังเป็น่ะก่อกแพงรอบจชิครับ ว่ากาะคันไม่ใช่ไหครับาจารกอบคันเพืจะให้ได้น้ไม่เยอะขึ้นมาเพราะนี้ก็เป็นหนเสงการปงแต่งนะครับการปง่งขึ้นมาเพ่อะยนครับอาวเองแต่งขนาดไนเนะี่อานานะโอาาโอถ้าเขือน ไ, ได้ขานั้นนี่ธชาตินะนแต่ก็มีพูดถึงนะครับถ้าว่าสิ่งที่เามีคปทำลบ แต่ถ้าน้ํามันยังไหลซึมไปได้ น, นะครับไหลท่วมทบ่นนะ้ำหรือว่าซอะเข้าไปได้แล้วก็น้ i, ําไหลก็ยังจางเป็นแน่น้ํานนครับแต่ให้ยีาจางถามเมื่อเป็นหนองครับเป็นหนองน้นะําะเขาบอกแต่ว่า <c oughs> คล้ายๆกับทั้งนี้ชาวบ้านขูดบอ่บอหรือสระโบรณีเป็นต้นเพื่อต้องการนะ้ําในสระนี่ก็มันจะ ปลูกน้ําเต้าไทรโมเป็นต้นถมสาให้เต็มทําเป็นบกก็ดีอ้อนี่มีครับอาจารย์กอกคันโห้กอกคันในที่สาธัรณะทาชาสาสารนั้นทั้งหมดทีเดียวให้เป็นบึงใหญ่ก็ดีไม่เป็นสาธรรมชาติแม้ทัท้งหมดนี่ครับมันเป็นเลยไม่ได้แ่้วตธรรมชาติจริงๆก็ไปกรงแต่งนั้นไม่ได้เลยทา่านบอกว่าแม้ถึงทะเลสานะ ก็จัดเป็นสระธรรมชาติเหมือนกันนะครับหน้า430เล่นที่หนะครับหน้า430ต่อไปนะครับก็พื้นที่ใดซึ่งกล่าวไว้ว่าเป็นกับพิยภูมินะหน้า12แล้วนะครับข้างนอกกับพิยภูมินั้นภูทุกุลเตปากสีมาสีมาวักงนะ้ำไปไม่ถึงนะครับถึงเฉพาะภายในเท่านนะั้น เพราะฉะนั้นในศาสธรรมชาติเป็นต้นนั้นพึงทําการกําหนดการวักนา้ําโดยรอบตั้งแต่ท้านบริษัทก็ถ้าว่าสงสองหมู่ทำบรศษัทกรรมเป็นต้นต่างที่กันตรงกลางระหว่างทุกลข์เคปัสีมาของสงสองฝ่ายต้องกําหนดทุกขมเคปัสีมาอันอีกอันหนึ่งไว้เพื่อเป็นประจานาก็เหมือนที่ป่านะครับถ้าสองกลุ่มทำกรรมกันะมันก็ต้อ ง, งไว้เป็นาระานไว้นะครับหนึ่งครับ ห น, ห, นหนึ่งวักหนึ่งวักนะครับต่อไปอความจริงสัตว์กับพันธุราชีมาแล้วท้ากรงเข่าสีมานี้สองย่องกําหนดได้ตั้งแต่ตรงที่พวกพิสูยืนภายในที่กําหนดไว้ครับที่กำหนดออกไปนะที่ว่าท้าบนิสัยนะครับพิสูยืนหน้าถ่าก็ดีในเขนนี่ยจะมีสรุปสองลูกนะยืนหน้าถ่าอันนี้กับก็เสียใช้ยืนหน้า ไม่เยืนเลยที่กําหนดประมาณเท่านั้นอื่นอกจากที่หมหนไว้พอดีครับย่อมทํากันไม่เสียไปหมายว่าไงหมายว่าไม่ยอนเข้าไปอยู่ในเขตสีมาเข้ามาอยู่ในอุปจารสมาอันที่เราทำเป็นอุปจารีมาเพื่อให้สีมาต่องสีมาไม่ติดกันนะครับอันนี้เราทำให้ซ้ำเสียครับอยู่ในเขตก็ดีแต่ไม่มีเนื้อทบาทก็ทำให้ซ้เสียไม่อยู่ในเขตเลยออกมาอยู่ตรงกลางนะที่เราไว้ระหว่างสองสีมาเนี่ย ก็ท้าใกัรมผีนะครับใช้ไม่ได้ก็ต้องเข้าไปอยู่ในสีมาของเทระปานนะในในธแนมบัญญัติด้วยครับทํากรรมตรงนั้นรร น, น, นี้เป็นข้อตัดสินเนี่ยฐาฐานทั้งหลายพึงท่าพึงทราบข้าตัดสีมาตามที่ได้อธิบายมาช่นี้นะครับตามที่ได้อธิบายมาอย่างนั้นคําว่าเตจโคขัตถปาสังอวิชหิตตวาเอกัดสีมาอย่างนี้อันนี้ไปว่า แล้วพิสูรเหล่านั้นอยู่ในสีมาเดียวกันไม่ละสมาร์ท่านกาพส่งเอาสีมาทั้งสองประเภทนี้คือพัทธสีมาและพัทธสีมาทั้งสองอย่างครับด้วยประชามเหือ ก, กรรมนะอยู่ในสีมาไม่ละสมาร์ทจริงอยู่เมื่อพิสูรเหล่านั้นอยู่ไม่ละสมาร์ทในสีมาเดียวกันโบสรสักกรรมของสองนั้นจัดเป็นประตะ ก, กันละก็คือมีความเท็จนะถึงพท้จนะไม่ใช่รูวประการอื่น สมกับชื่พราพ้าตั้ไว้ว่าที่สูตทั้งหลายเราอนุญาตการสูตรปฏิโมกสํสหรับที่สูดรสี่รูป น, นี่นะไปอยู่ในสีมาระ น, นี้มละสมบัติกันก็เชื่อมีความพร้อมในการสูดปฏิโมกได้สีมานี้จบแล้วน ะ, ะจบสีมาใน ย, ยอ่อ